ในวันรู้สึกตัวตั้งแต่ปลายผ้าแบล็เก็ตขนาดกว้างใหญ่ที่แบ่งเฉลี่ยมาคลุมมิงมิงอยู่บนร่างกายของเขามีอาการเหมือนเคลื่อนถูกดึงแต่เขายังคงนอนสงบนิ่งเหมือนหลับสนิทอยู่เช่นนั้นต่อมาก็รู้สึกว่าคริสติน่าค่อยๆดึงกายขึ้นนั่งแล้วเอื้อมมือมาเขย่าไหล่เขาเบาๆแทนการขานตอบรับใดๆทั้งสิน้น พรายใหญ่จับหลังมือสวมถุงหนังของหลอนที่เขย่าไหลเข้าเป็นความหมายว่าเขารู้สึกตัวแล้วเมื่อนั้นหลอนจึงเอนตัวลงมากระซิบเบาที่สุดข้างหูระพินคุณคุณรู้สึกตัวหรื อ, อยังมีไรครับคริสฉันว่าฉันหูไม่ได้ฝาดนะแล้วก็ไม่ได้ฝันไปแน่แน่ ฟังเสียงนั่นนั่นฟังสิคุณคุณได้ยินไหมตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วคริสก็สามหนึ่งศหลังเที่ยงคืนเอาล่ะก่อนอื่นตรวจดูน้ําเกลือของเบงก่อนแล้วกันมันน่าจะหมดแล้วล่ะและถ้าเห็นว่าจำเป็นก็ให้ต่อไปอีกถุงหนึ่งถ้าพอแล้วก็ถอดเข็มออก แต่ฉันหล่อนเร่าร้อนเขย่าเขาแรงขึ้นอีกทำตามที่ผมสั่งก่อนคริสนั่นเป็นคำสั่งหรือข้อแนะนำที่ค่อนข้างเฉียบขาดคริสติน่าขยับตัวลุกขึ้นอย่างรวดเร็วแต่่ายเบาใช้ไฟฉายประจำตัวส่องดูถุงน้ำเกลือที่แขวนอยู่กับเสากิ่งไม้ระพินนอนอยู่ในอาการเดิม แตรีตาจับดูอยู่เห็นหล่อนจัดการถอดเข็มที่ปักอยู่บนหลังฝ่ามือของอิสเบรและเอาปลาสเตอร์ปิดไว้ตรงรอยที่เข็มปักจากนั้นก็ดึงสายน้ำเกลือกระถุงออกจากแง่ไม้ม้วนพันลูกๆโยนไปทางหนึ่งหันไปจับตัวเบรลูบๆคลำๆอยู่อุดใจหนึง่งแล้วก็หันกลับมาทางเขาอีกเบหลับสนิทและอาการก็ดีขึ้นมากแล้ว ฉันคิดว <Shop> ่าไม่จำเป็นจะต้องให้น้ำเกลือต่อไปอีกแล้วล่ะอดีแล้วตัวคุณเองก็ควรจะหลับต่อนะพยายามพักให้มากที่สุดนี่คุณนี่คุณไม่สนใจที่ฉันบอกตะกี้นี้เลยเหรอแล้วคุณได้ยินไรเสียงเสียงอาการของหล่อนอึกอักอึกอักในความมืดสลัวของสถานที่ เห็นแต่ดวงตาเบิกโพลงเต็มไปได้วยแววชงนระคนตื่นเต้นร้อนรนนี่รพินฉันกล้าสาบานนะมันมันเป็นเสียงคล้ายๆมีใครมากู่ร้องรับกันอยู่ไปมาเป็นเสียงหยหวนเยือกเย็นมากทีแรกมันก็ดังมาไกลก่อนแล้วมันก็ค่อยๆใกล้เข้ามาทุกขนะดเป็นเสียงประหลาดมาก แล้วแล้วแล้วก็หลอนพยายามมองไปรอบๆ บ, บริเวณแคมป์พักอันบัดนี้เงียบสงบ ก, กองไฟที่ก่อไว้โซมลงเหลือแต่เท่าแดงๆ แ, แสดงว่าใครก็ตามที่อยู่ยามตามไฟคงจะเผลอม้อยหลับไปไม่ได้ใส่ฟืนเติมไว้แล้วก็มีเสียงคล้ายๆฝีเท้าคนเดินย่ำขึ้นมาบนเนินที่พักนอนแห่งนี้ รอบด้านรอบตัวเต็มไปหมดจอมพรานค่อยๆใช้นิ้วชี้สื่อปีกหมวกที่ครอบปิดหน้าขึ้นช้าๆเผยให้หล่อนเห็นสีหน้าและแววตาอันอยู่ในสภาพปกติของเขาอ่ะฟังต่อไปยังได้ยินอยู่อีกหรือเปล่าเสียงต่างๆที่คุณบอกว่าคุณได้ยินอ่ะ แม่นักเคมีฟิสิกสาวกัดเต็มฝีปากแน่นพยายามเงี่ยหูอยู่อึดใจหนึ่งแปลกตอนนี้มันเงียบไปแล้วคริสก็ผมบอกคุณแล้วไงว่าคืนนี้ถ้าได้ยินเสียงหรืออาจจะตาฝาดเห็นอะไรแปลกแปลกปล ก, ก็ให้สงบเฉยซะรับรองได้ว่าจะไม่มีอะไรล่วงล้ำเ ข, ข้ามาในบริเวณที่พักของเราอย่างเด็ดขาด ทำตามที่ผมบอกนะดีที่สุดคือนอนคริสติน่ายังคงนั่งเอามือยันพื้นอยู่เช่นนั้นดวงตาลอกแหลกมันเต็มไปได้วยแววชงนคลางแคลงมองไปรอบๆตัวอันประกอบไปด้วยเงาของหน่อหินที่ขึ้นเรียงรายอยู่แล้วปักมามองหน้าเขาสลับกันไปมาอยู่เช่นนั้นนิ่ดะพิน ปกติแล้วคุณเป็นคนนอนไวที่สุดอ่ะขณะแตะเบาๆคุณก็รู้สึกแล้วตะกี้ตลอดเวลาฉันรู้สึกว่าคุณคุณไม่ได้หลับด้วยซ้ําอ่ะคุณบอกฉันสักคําได้ไหมว่าคุณไม่ได้ยินเสียงแปลกๆที่ฉันบอกมานี่เลยเหรอฉันกําลังนอนหลับนะแต่ก็ต้องตื่นขึ้นมาด้วยเสียงพิลึกอย่างเงี้ย คริสคุณอาจจะฝันเลือเธอไปเองแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นโดยแยกไม่ถูกว่าไอเสียงที่อ้างว่าได้ยินน่ะมันอยู่ในความฝันที่เพิ่งตื่นขึ้นมาหรือว่าหูได้ยินไปจริงๆแต่นี่มันก็ดึกแล้วนะคุณไอที่คุณตื่นขึ้นมาตรงเวลากับที่น้ําเกลือของเบนหมดพอดีมันก็ดีผมได้จะได้ไม่ต้องปลุกไงคริสติน่าเอามือข้างหนึ่งขยี้ใบหน้าแล้วถอนใจเขื้น ระพินฉันสงสัยใช่จริงนี่ตลอดเวลาคุณได้หลับบ้างหรือยังเนี่ยผมก็หลับง่ายตื่นเร็วประสาทมันถูกฝึกมาจนเคยชินนั่นแห ล, ละถ้าร่างกายไม่เจ็บป่วยอ่ะแล้วแล้วคุณไม่ได้ยินอะไรเลยเหรอประสาทคุณหลอนจากการเหน็ดเหนื่อยตรากตรำหนักอะ่ะคริสคุณจะกินยานอนหลับก็ได้นะ จะได้หลับสนิทรวดเดียวไปตื่นตอนตะวันขึ้นเลยไม่ต้องมาคอยสะดุง้งผวาหลับหลับตื่นตื่นมัวระแวงอะไรอยู่แบบนี้ระพินฉันว่าคุณดูใจเย็นเหลือเกินนะสำหรับคืนนี้อ่ะก็ใช่ที่มันเป็นคืนที่พวกเราทุกคนควรจะได้นอนหลับกันให้สบายที่สุดไงไม่ต้องไปมัวกังวลว่าจะต้องเพ่นพรวดพลาดกันขึ้นมากลางดึก เหมือนอย่างที่แล้วแล้วมาคุณเป็นนักสังเกตอยู่แล้วดูวการของผมแล้วคุณจะรู้เองอะว่ามันจะไม่มีเรื่องร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นในคืนนี้ไม่งั้นผมก็ต้องลุกขึ้นแล้วละ่ะแต่เนี่ยเห็นหั้มผมก็ยังนอนอยู่ตามปกติไม่เชื่อผมแล้วคุณจะไปเชื่อใครแต่แต่คุณไม่เชื่อฉันบ้างเลยเหรอว่าฉันได้ยินได้ยินจริงๆนะคุณ โถคริสลมดึกดึกพัดผ่านโพรงหินและแก่งโขดหรือต้นไม้นะ่บางทีมันก็ทำให้เกิดเสียงแปลกแป ล, ปลได้เหมือนกันนะคุณแล้วก็ดึกคืนนี้ลมมันก็ค่อนข้างจะแรงซะด้วยสิเขากระซิบด้วยน้ำเสียงเรื่อยๆปราศจากอาการตื่นเต้นใดๆทั้งสิ้นตกไหลหล่อนเบาๆแล้วดึงให้เอ็นกายลงนอนตามเดิมคริสติน่ายังลืมตาสว่างโพงอยู่เช่นนั้น ระพินยิ้มให้อย่างปราณีเอื้อมมือมาแตะที่เปลือกตาสีฟ้างามกดเบาๆเป็นการบังคับให้ปิดตาลงซักอีกพักใหญ่หล่อนจึงสงบนิ่งไปได้ลมหายใจสม่ำเสมอระทวยพรานใหญ่ค่อยๆขยิบตัวผลักห่างออกมาโดยไม่ให้เกิดเสียงแม้แต่น้อย พอผลระยะก็ดึงกายลุกขึ้นอย่างแผ่วเบาคว้าไรเฟิรนกับไฟฉายออกเดินตรวจอย่างระมัดระวงังไปยังบริเวณกองไฟที่หมดเปลวลุกเหลือแต่ถ่านผสมขี้เถ้าซึ่งจะแดงโรคขึ้นเป็นครั้งคราวเมื่อมีกระแสลมเย็นเฉียบพัดผ่านเข้ามาเขาใช้ไฟฉายส่องตรวจไปยังบรรดาลูกหาบทั้งหลายเห็นหลับคุดคู่เอากระสอบคลุมตัวอยู่เป็นกลุ่มๆ นับจำนวนดูเพื่อให้แน่ใจอีกครั้งว่าจะไม่มีใครขาดหายไปเกิดเสยและจันทร์นอนรวมกลุ่มกันอยู่ริมกองไฟมอดดับด้านที่จะออกไปทางปากทางซอกหินซึ่งเป็นทางผ่านเข้าออกที่สะดวกที่สุดแต่ไม่มีบุญคำรวมอยู่ในจำนวนนั้นด้วยสายตาคมกริบของจอมพรานวาดค้นหาไปอย่างรวดเร็ว แล้วก็เห็นเงาตะคุ่มผอมเกรงของแกยืนอยู่ในซอกขีนบริเวณซ้ายมือซึ่งต่ำจากตำแหน่งนั้นลงไปพวกลูกหาบได้แล่เอาหนังสีสะและเครื่องในของเลียงผาที่ยิงได้เมื่อเย็นทิ้งไว้เป็นการยืนอยู่ตามลำพังคนเดียวในเงามืดเกือบจะนอกเขตปริมณฑลที่ขีดเส้นกาหนดไว้ระพินเคลื่อนเข้าไปหยุดอยู่ข้างหลัง เวยนยามของเราเหรอบุญคำเขาถามขึ้นดังไม่เกินกระซิบใช่นายบุญคำเพิ่งรับเวีนต่อจากไอ้จันสักครึ่งชงมงวมวันนี้ได้มัง้งแกตอบเบาๆโดยไม่ได้หันหน้ากลับมาดูแสดงว่ารู้ถึงการเคลื่อนไหวเข้ามาของเขาแล้วตายัางมองขวาฝามืดออกไปเบื้องล่างแล่วทำไมถึงได้ปล่อยไฟมอดหมดทั้งสามกองนะนี่ นายสูงไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกสักกระเดียวฝนก็จะเทลงมาแล้วเราไม่อดน้ำนั่นละนายพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องเดือดร้อนไปตะเกียกตะกายหาน้ำที่ไหนเดี๋ยวขึงผ้าใบารองไว้สำคัญวัาานซัดน่ะแล้วมีพายุหรือมีลูกเห็บตกลงมาด้วยมันก็คงยุ่งหน่อยพรา่แงนหน้าดูท้องฟ้าอันมืดสนิทไม่เห็นแม้แต่ดาวสักดวง ให้ความเย็นชื้นกันโชคผ่านผิวหน้าของเขามาเป็นระลอกริว้วเขาเพิ่งจะสัมผัสได้นี่เองแต่บุญคันบุญคำคงจะจับรหัสนี้ได้ก่อนแล้วเพราะแกมายืนอยู่กลางที่โลง่งนานพอสมควรเป็นไงทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยดีไม่ใช่เหรอตะพานเท่ามือขวาของเขาแยกเขี้ยวยิ้มเห็นฟันหน้าหรอเออนาย มันแห่กันมาคลุดเต็มทุ่งเลยแต่วนเวียนอยู่ตีเนินตีเนินเท่านั้นแหละไม่กล้าเข้ามาใกล้บริเวณที่นายลงไว้หรอกแล้วก็ไปรุมต้อมหึงที่ทราบเครื่องในเลียงผาตรงตีเนินน่นระพินเอาหลังมือเช็ดลายคางสาดไปด้วยคราวอีกมือหนึ่งของเขาถือไฟฉายก็จริงแต่ไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องฉายไฟลงไปให้เสียเวลา แล้วนี่มายืนดูอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่ได้ยืนดูอยู่ตรงนี้หรอกก็ดูไปรอบๆปางทุกด้านนั่นแหละนายบุญคำนะเห็นตั้งแต่นายก็แม่มคริสลุกขึ้นมาแล้วพวกนายฝรั่งหลับกันดีอยู่หรอนายก็เรียบร้อยดีมีแม่มคริสคนเดียวอะ่ะที่ได้ยินเสียงแล้วปลุกฉันขึ้นมาแต่ตอนนี้คงหลับไปแล้วละ่ะ พวกมันเริ่มแสดงวิแววตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฉนันเองก็หลับสนิทไปหลายชั่วโมงนะพวกเราคนหนึ่งอื่นจับพิรุธหรือแค่ระคายอะไรมั่งไหมเนี่ยก่อนที่บุญคําจะลุกขึ้นมาผลัดยามเนียแกสั่นหัวช้าๆไม่มีใครรู้หรือจับค้าวเงื่อนอะไรได้หรอกนายแม้แต่ไอจันท์ที่เป็นเวรสุดท้ายก่อนที่บุญคําจะลุกขึ้นมาแทนมันปกติตั้งแต่หัวข่ำ ม, มาตลอด เพิ่งจะยกขยโงกันออกมากับตอนที่บุญคำเขาเวนนี่แหละเสียงมันหัวรอ่อกระซิบบางทีก็คุยอะไรกันงึงงางึงงาแซดไปหมดใลนลมดึกพัดผ่านทุ่งและป่าหินย่อมย่อมดังอยู่วีดวื้ในสำเนียงเสียงลมพัดนั้นเมื่ออยู่ในภาวะและบรรยากาศเช่นนี้ประสาทหูของคนฟังอาจฟังเป็นสับประสำเนียงอย่างใดก็ได้ทั้งสิ้น แต่เขาก็รู้ว่าบุญคำมีโศดสัมผัสส่วนพิเศษของแกอย่าว่าแต่บุญคำเลยขนาดคริสติน่าผู้ไม่เคยรู้อะไรมาก่อนยังจับสำเนียกได้ก็แสดงว่าบางขาัะมันได้สัแดงออกมาอย่างชัดเจนทีเดียวโชคดีอยู่บ้างรที่บรรดาลูกหากทั้งหลายและนายจ้างส่วนใหญ่ของเขาพากันหลับสนิทเป็นตาย หาไม่เช่นนั้นอาจจะระสำารในอารมณ์และปัญหามันก็จะเกิดขึ้นอย่างมากมายซึ่งเขาไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นเพราะรู้แน่ว่าถึงยังไงมันก็ไม่มีเรื่องร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นภายในปริมณฑล ท, ที่กําหนดขีดเส้นเอาไว้ระหว่างที่เขายังยืนนี่งเพ่งสายตาไปยังความมืดมิดเบื้องล่างซึ่งเมื่อจ้องพินิษไปนา น, น, าน ก็จะมองเห็นลักษณะคล้ายๆหมอกควันสีขาวจางๆลอยว่อนอยู่ไปมายังบริเวณตีนเนินที่พักในรูปลักษณ์วิกลวิการแปลกๆออกไปตาคำก็คำเม่นมองลงไปอยู่เหมือนกันแล้วแกก็บุยปากบอกเบาๆต่อมาว่านายนายเห็นอะไรดีๆอย่างบุญคำมั่งไหมระพินละ ความสนใจจักเงาเหมอกปริศนาเหล่านั้นควักบุหรี่ที่ดับทิ้งไว้ครึ่งหนึ่งในกระเป๋าเสือ้อขึ้นมาจุดสูบถามทั้งที่ปากยังคาบก้นบุหรี่แล้วอะไรล่ะที่ว่ามันดีๆกับอีตัวที่หน้าฉัล่์แ่มที่บุญคำไปชีรถไว้นั่นไงมาชะม้อยชะม้โบกมือเรียกบุญคำอยู่ย่อยๆตรงมุมหินข้างล่างนน ผ่ผนก็ไม่หนุเห็นโล่งโจ่งไปหมดหุนนี้แมมคริสทำอะไรไม่ได้เลยแน่แน่แนแน่แ น, นสเอวโยกตะโพกร่อนอกท้ายยุนนั่นบะแบบนี้ไอ้คำตะบะจะแตกอยู่แล้วนาไห น, หนเอาสิไม่ว่าอะไรหรอกถ้าอยากจะลงไปหาแม่สาวงามตนนั้นเห็นคุยไว้นักหนาวันตอนเย็นตอนนี้หล่อนก็มาหาแล้วยังไง ระผินพยักหน้าบุญคำยิ้มแห้งๆบอกมาเสียงอ่อยๆก็ก็นายลงไปเป็นเพื่อนบุญคำหน่อยดินี่อย่าบ้าให้มากนักเลยตะคำแล้วก็เลิกสนใจกับมันเสียทีมานี่มาช่วยกันเอาฟืนใส่กองไฟไว้สักกองก็ยังดีฝนอาจจะตกแต่ก็คงไม่เร็วนักหรอกอาจใกล้ๆสว่างตอนนี้นะปางพักเรามืดแล้วก็หนาวเย็นเหลือเกิน พร้อมต่าระพินดึงไหลบุญคำให้เดินตามหลังมาแล้วทั้งสองก็ช่วยกันเอากิ่งไม้ที่เก็บมากองตนไว้ตั้งแต่เย็นซึ่งยังเหลืออยู่อีกจำนวนเล็กน้อยโยนใส่เข้าไปในกองไฟด้านที่อยู่ใกล้ปลายเท้าของที่พักนอนของนายจ้างทั้งหลายแต่คำโก้งโค้งเป่าอยู่ครู่เดียวมันก็เกิดเป็นเปลวลุกติดขึ้นมาตามเดิมจากถานที่ยังพอเหลืออยู่ ทั้งคู่นั่งอิงไอไฟอยู่ริมกองเมื่อทั้งรพินและบุญคำลุกขึ้นมานั่งคุยกันและก่อไฟให้เกิดเป็นเปลวขึ้นแล้วเช่นนี้สภาพอันคลุมเครือหน้าวาดระแวงไปด้วยเงาปริศนาทั้งหลายที่แวดล้อมสถานที่อยู่ก็พลอยสลายลงนายนายไปนอนเถอะบุญคำจะเฝ้าเองจนถึงสว่างเลย เอาใว้ฝนตกค่อยตื่นึ้นมาช่วยกันแล้วกันแกบอกมาอย่างหวังดีเมื่อเห็นเขานั่งก้มหน้าเอามือทั้งสองลูบเส้นผมอยู่เดี๋ยวขอนั่งผิงไฟสักเดี๋ยวนะหนาวเกินฮะนายไม่ใช่เกิดเป็นไข้จับสันขึ้นมาตอนนี้นนานายไม่รอนคุณคำไหนลองดูที่หม้อต้มกาแฟนะหน่อยสิ พอมีเหลืออยู่มั่งไหมแต่พอมีเหลือก็รินมาให้สักหน่อยเถอะบุญคำชังโง่เข้าไปที่หม้อสนามที่พวกพรานพื้นเมืองลูกน้องแกต้มเอาไว้วางอยู่บนก้อนหินริมกองไฟเขย่าดูแล้วเทลงถ้วยพลาสติกเก่าๆที่ทิ้งเกะกะอยู่ใบนึงส่งไปเข้าครึ่งถ้วยซึ่งมันก็มีอยู่แค่นั้นเองระพินรับมาถือคลึงอยู่ในฝ่ามือทั้งสองแล้วยกขึ้นจิบ จากนั้นก็นั่งมองดูเปลวไฟอยู่เงียบๆไม่ได้โต้ตอบอะไรกับแกทั้งสิ้นไม่ว่าแกะจะพูดอะไรอึดใจใหญ่แกก็เอื้อมือมาสกิดที่เขาเ่าแรงๆพอหันไปสบตาก็บุยปากไปทางบริเวณที่นอนของฝ่ายในจ้างเขาจึงหันไปเนาตะคุ่มของใครคนหนึ่งที่นอนอยู่ริมสุดด้านขวา ผุดลุกขึ้นมานั่งมีอาการเกาอยู่ขยุกขยิกที่บริเวณเป้ากางเกงและสะบดอะไรพุ่มพำอย่างหัวเสียเชิดวุฒิผู้หลับไปก่อนใครเพื่อนในคณะตั้งแต่หลังอาหารเย็นนั่นเองตอนนี้เขาถูกปลุกขึ้นมาด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งที่เข้าไปทำความรําคาญให้อย่างกระทันหันเดี๋ยวเกาแขนเดี๋ยวเกาโคนขา แลมีอาการเหมือนจะรูดซิปกางเกงออกแล้วในที่สุดก็ผุดลุกขึ้นยืนมือหนึ่งถึงไฟฉายอีกมือหนึ่งยังคงกุมขยี้อยู่ที่เป้ากางเกงเช่นนั้นเดินไปปะทำท่าเหมือนจะออกไปหาที่ปัสสาวะยังยังไม่รู้ทิศทางว่าจะมุ่งไปทางไหนดีและยังไม่ทันหันมาเห็นเขากระบุญคำที่นั่งจับตามองอยู่เงียบเงียบก่อนนะเมื่อนั้นเอง ระพินจึงลุกขึ้นแล้วก้าวสกัดหน้าก่อนที่นายทหารหนุ่มจะทันเดินเข้าไปในซอกโขดหินลัดตาคุณบุษเขารองทักเบาๆขณะที่แตะยันไหลานายทหารหนุ่มซึ่งเป๋เข้ามาเชิดบุษขยี้ตามองแล้วอุทานเอาพี่จะไปไหนล่ะครับคุณบุษอีกฝ่ายยิ้มแห้ง มือยังกลุ้มเป้ากังเกงในลักษณะเกาขยี้อยู่นั่นปวดเฉียอุย้ยไปไปครับผมจะไปเป็นเพื่อนด้วยหลบมุมตรงหินนี่แหละครับไม่ต้องไปไกลไปไกลนักหรอกพร้อมพูดระพินหลีกทางให้จับต้นแขนลูกชายท่านนายพลผู้มากับคณะด้วยในฐานะฝ่ายประสานงาน ดันเข้าไปในซอกหินบริเวณหนึ่งใกล้ๆรับมุมทิศทางใต้ลมของแคมป์เชิดบุตรปุ่ดซิปกางเกงปล่อยน้ำไปพลางก็บนอู e ้อีไปพลางมดเวตาลายเอ้ยมันดันเข้าไปซอกแทกกัดผมก็เลยสะดุ้งตื่นมาโอ้โหมันแข็งโปกอย่างกรหินแล้วก็น้ำเต็มกระเพาะฉีเลย วิชิบหายนี่กัดที่ไหนไม่กัดประโถฝนมันกำลังจะตกครับพวกมดพวกแมลงทั้งหลายมีการเคลื่อนไหวตัวภูมิประเทศแถบนี้มันคงแรงมาเป็นเวลานานแล้วล่ะและถ้าฝนเทลงมาก็คงจะเป็นการตกครั้งแรกในระยะว่างเว้นยาวนานอีกฝ่ายหนึ่งเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าสีดำสนิท จริงด้วยจิงพี่มองไม่เห็นดาวสักดวงนี่พี่ตื่นมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็สักครู่ใหญ่ๆนี่แหละครับเป็นไงเห็นวันนี้คุณเพลีย ม, มากกว่าทุกวันหลับไปตั้งกต่หัวค่ำเลยเนีย่ครับพี่ผมน่ะหลับรวดเดียวตลอดจนกระทั่งไอ้มดแดงจันไรกัดไข่ปลุกขึ้นไมชฉีนี่แหละหลับไม่รู้ตัวเลยทั้งสองพูดคุยกันเบา ในระหว่างที่เชิดบุตรยืนปล่อยน้ําอยู่ตอนนี้รู้สึกเป็นไงมั่งล่ะครับมีอาการไม่สบายบ้างหรือเปล่าเมื่อตอนเย็นก่อนจะหลับมันก็ทําท่าไม่ดีอยู่เหมือนกันแหละหลับไปตอนไหนผมไม่ทันรู้สึกตัวเลยจริงๆทีแรกก็ว่าจะมาคุยกับพี่ด้วยตอนละตอนหลังอาหารคั้นไม่รู้เผลอท่าไหนดิดับเครื่องไปเลยได้หลับหลายชั่วโมงแล้วก็พอจะมีแรงมั่ง นี่มันดึกดืนกี่โมงยามแล้วเนี่ยพี่ก็เกือบตีสี่แล้วล่ะคุณอืมืดทมึนลึกลับหน้ากลัวดีเหลือเกินคืนนี้สิงเชิดวุดิพึมพำเหมือนจะบ่นกับตัวเองขณะที่กว่าตามองไปยังความดำมืดรอบด้าความจริงเราก็ผ่านกันมาในสถานการณ์หนักๆมากแล้วแต่คืนนี้ผมก็ยังรู้สึกว่า มันมีอะไรน่ากลัวเป็นพิเศษทั้งๆ ท, ที่ดูแล้วก็ไม่เห็นน่าจะมีอะไรสักอย่างขุนมันลุกสู้สู้ยังให้พิค้นนะพี่ระพินยิ้บางๆซ่อนอยู่ในเงามือประสาทหลอนไปเองละมั้งครับหรือไม่งั้นร่างกายก็คงจะอ่อนแรงดวงจิตก็เลยพลออ่อนไปด้วยที่นี่เป็นที่พักอันสบายแล้วก็ปลอดภัยที่สุดอีกแห่งหนึง่งที่เราผ่านกันมาแล้ว และเป็นที่ที่แน่ชัดว่าไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์อะไรของไอ้ผีดิบมันไรเข้ามาคล้องแหวะเราอีกแล้วไม่มีจริงๆครับสําหรับมันไรพี่มั่นใจเหรอครับผมน้ํามั่นใจมาตั้งแต่ก่อนค่ำนแล้วหละครับว่าตอนนี้นะเราพ้นพิษภัยจากมันไรแน่นอนแล้วเพียงแค่รอผลพิสูจน์ในคืนนี้อีกหน่อยเดียวเท่านั้นแหละและนี่ก็ผ่านเข้ามาถึงตีสี่แล้ว ยังไม่มีข้าวเงื่อนอะไรที่มันจะส่งริบเดดในด้านใดมาราวีก่อกวนเราก็แปลว่าปลอดโปร่งเนี่ยเพราะถ้ามันจะเล่นงานเราต่อไปก็คืนนี้แหละที่มันจะต้องฉวยโอกาสเล่นงานเราให้แตกหักแต่นี่ไม่มีอะไรเลยราบคาบสงบดีเชิดวุฒิห่อไหลสถานยือ่อแล้วเอ๊ะทไมผมมีอาการขนลุกอยู่เกลียวเกลียวยังไงก็ไม่รู้สิพี่ มันมันสัมผัสแปลกๆยังไงบอกไม่ถูกอ่ะมันเหมือนกับว่ามีวิญญาณร้ายเป็นจำนวนมากมาจ้องมองเราอยู่ตอนนี้อ่ะพี่ไร้สาระนะคุณวุฒิคุณมีของดีอยู่กระตัวจะกลัวอะไรหรอกคุณทำสติและปรับจิตใจให้มั่นคงสิรับรองครับว่าไม่มีอะไรจนถึงตะวันขึ้นนั่นแหละอาจมีธรรมชาตินิดๆหน่อยๆที่ทาให้เราต้องหลบฝนกัน แต่เราก็ไม่ต้องไปลำบากหาน้าในวันพรุ่งนี้เขาบอกมาด้วยน้ำเสียงปกติเชิญวุฒิษปัสสวะเสร็จแล้วบ่นอะไรเงืมงงำเกี่ยวกับอวัยวะบางส่วนของเขาเองพยายามจะเอามันเก็บเข้าที่เข้าทางแต่ก็รู้สึกว่ามันจะทำได้อย่างคลุบคลับเพราะมันไม่ยอมลดตัวลงง่ายๆ ย, ยิ่งคันก็ยิ่งเกาขยี้แล้วยิ่งไปสัมผัสมันมากๆ ม, มันก็ยิ่งคึกคัก เสียงอุบอิบของเชิดบุษทำให้พรานใหญ่หัวรอกกกอยู่ในลำคอเขี่ยไล่แล้วส่งตลับขี้พึ่งเล็กๆไปให้ในายทหารรุ่นน้องรับไปเปิดฝาป้ายออกมาทาแล้วสะดุ้งโยงตัวงอลงอุ้ยอุ้ยทั้งแสบทั้งร้อนเลยพี่นี่มันยาหมองนี่ครับไม่เป็นไรหรอกทนน้อยเดียวก็หายดีกว่าคันก็เยอะอยู่ เขามากๆเดี๋ยวก็อักเสบเฉยๆเปล่าๆเชิดวุ้สูตรปากหน้าเยะเกระรับพินเหนียวไหลให้เดินกลับมาในบริเวณแคมป์ด้วยกันสั่งยิ้มยิ้มด้วยความปราณีต่อมาว่าไปไปนอนซะครับอย่างน้อยคุณก็ยังมีเวลาพักอีกสองชั่วโมงก่อนสว่างถ้าฝนไม่ตกแต่ถ้าฝนตกก็คงจะถลุกขลักนิดหน่อยธรรมชาติในป่ามันเอาแน่ไม่ได้หรอกคุณบางทีมันมีข้า ว, ว่าจะตก แต่มันก็ไม่ตกบางทีไม่มีคราวเลยมันกลับเทลงมาอย่งกระฟาลัว่วอาจจะเป็นตอนใกล้ๆสว่างก็ได้ครับที่มันจะตกลงมาแต่ตอนนี้ผมไม่ง่วงนะพี่เชิดบุดบอกอาการเริ่มหายง่วงเหงียผมเนี่ยอยากจะคุยกับพี่มาตั้งแต่เย็นแล้วแต่ตัวเองอ่ะหลับเค็งแก่ซะก่อนแล้วแล้วนี่พี่ตื่นมาทาไมล่ะครับเนี่ย แล้วก็มีพวกเราคนไหนตื่นอยู่ในขณะ น, นี้มั่งหรือเปล่าพางก็กวาดสายตาไปรอบๆ บ, บริเวณภายในซึ่งมองเห็นกองไฟที่สุมไว้บัตหนี้เหลืออยู่กองเดียวมีบุญคํานั่งห่อตัวอยู่ตรงนั้นผมก็นอนมาแล้วพอสมควรเหมือนกันอะคุณบุตรก็เลยลุกขึ้นมาตรวจบริเวณซึ่งกับพอดีเป็นเวลายามของบุญคําก็พอดีเห็นคุณบุตรพรวดพลาดขึ้นมาจากที่นอนก็เลยเข้ามาดูไง พี่ผมขอไปนั่งผิงไฟที่นั่นกับพี่สักเดียวได้ไหมแทนคำตอบรับพินโอบไหลนำเชิดวุฒเดินเข้ามาตรงบริเวณที่เขานั่งอยู่กับบุญคำเมื่อครู่นี้พอใกล้เข้ามาตาคำก็ขยับตัวนายทหารหนุ่มยิ้มและทักทายพร้อมก่หยนตัวลงนั่งใกล้ๆก็พานเท่ารินกาแฟในหม้อส่งมาให้เป็นไงนายทหาร หลับปุ๋ยมาตาหัวค่าเลยนะสบายดีไหมล่ะโธสบายอะไรล่ะลุงไอ้หลับนะ่มันก็หลับหรอกแต่ฝันไม่ค่อยดีเลยลุงเชิดวุ้ถอดถุงมือหนังเอาฝ่ามือลนไฟแล้วนำมาแมกแนบใบหน้าทำไมฝันไม่ดีละ่ะนายทหารถ้าฝันว่าผีมันจับหัวล่ะก็ ผู้ชายฝันแบบนี้นั้นนะ่ะไม่ดีแน่แต่ถ้าเป็นผู้หญิงเขาบอกว่าจะได้ลาบสัตว์สองขาแกพูดน้ำเสียงเนินเน่นๆเรื่อยๆหน้าตาเฉยรับพินจุ ป, ปากเบาๆอย่างถอนฉิวส่วนเชิดบุษภาซื่อเออเหรออืมแปลกนะลุงคำนี่เป็นนักทายฝันด้วยเหรอเนี่ยอ้าว แล้วเจ้าคุยบุญคำนะถ่ายฝันแม่ยังงี้เลยนะไม่เชื่อก็ถามนายดูดิแต่อยู่บ้านไม่เข้าปาบุญคำก็รับจ้างถ่ายฝันให้กะอีสาวๆในหมู่บ้านเป็นประจำโอ้แม่ย้ำไม่เคยพลาดสักรายเดียวค่ะทำเนียมยกครูไม่มีอะไรมากหรอกถ่ายถูกก็ให้มันมันนวดให้เท่านั้นแหละ อีบวกสาวสาวมันมักจะฝันวนเวียนอยู่กับเรื่องผีผีหรือหมีหมีนี่แหละอุบบุญคำพูดยังไม่ทันจบไปอยู่ก็หกคำเมนลงไปจากก้อนหินที่นั่งอยู่เพราะถูกเจ้านายท้องด้วยศอกนอนคลางอู้เชิด ว, วุฒคงไม่รู้เรื่องหัวเราออกมาหน้าตื่นต่นระคนขันในกิริยาการของแกที่ลงไปนอนเค้ก้กอยู่ช่วยหิ้วปีแกประคองขึ้นมาอา้า เป็นไรเบลลุงต้อไม่ลุงหลอตไม่นอนเช่งนั้นล่ะเอา้าโอ้ยจุกเลยกูกับนายะพิงกับสุ่มซามไงจะยกแขนยกแมนไม่ดูให้ดีเสียก่อนขอศอกพามาตอก็กลางอกของบุญคําสักวั น, นบุญคำจะไม่อยู่ก็แกแล้วเวลาแกนอนอะเป็นไข่จับสันงกงกงกบุญคำจะยกขีบหนีแกไปซะเลยแล้วแกก็อายแคก็ก กระย่องกระแย่งขึ้นมากุม อ, อกคอนเจ้านายประหลับประเหลือระพินชีหน้าไปไปไปไปอย่าพ้นหูพ้นตาสิเดี๋ยวนี่นัะคำจะไปไหนก็ไปรำคาญเต็มทีแล้วหวานเสียรู้ไอ้คำจนได้ไอ้คำไม่นอนก่อนแล้วนะนายมีเพื่อนคุยแล้วนี่ว่าแล้ว แกก็เดินกลับไปทิ้งกายลงนอนตรงที่นอนของแกอย่างสบายใจเฉิบระพินถอนใจเฮือกโคลงศีรษะอย่างชา้าช้าเหลือขอจริงๆอิตกรมนี่ที่จะถอยอายุแกลงมากกว่านี้อีกสักยี่สิบปีจะเคหว้นุ่มทีเดียวไปไม่ซ้ำท่าวันละสามเวลาหลังอาหารด้วยดีน ะ, ะทำไมเหรอพี่ แล้วพี่ไปไล่ก็ทำไมนานๆผมถึงจะมีโอกาสคุยกับ ส, สักครั้งนึ่งลุงคำแกคุยสนุกออกพี่พรานใหญ่หัวรอคือคื อ, อนี่คุณวุฒิคุณอย่ไปสนใจอะไรกับคำพูดคำจาของตะคำเยแกก็เหลิวไหลไรสาระเหมือนเด็กอมมือขืนไปคบกับแกมากมากแ ก, กจะหลอกคุณให้เสียเด็กเปล่าๆวันไหนถ้าแกไม่มีเรื่องส ป, ปดี้ศรีบดนมาเล่าแกอกแตกตาย ไม่รู้แกรอดขี้รอดงานในป่ามาได้ยังไงจนนายุคปูนี้นเมื่อกี้คุณบอกว่าฝันมันก็ดีฝันอะไรอ่ะเขาเปลี่ยนเรื่องบายเบนความสนใจเชิดบุตรจ้ะนายทหารรุ่นน้องเอามือจับปลายคางคิดเหมือนจะทบทวนข้าวหน้าเปลี่ยนไปพี่มันคล้ายๆกับว่า รอบรที่พักของเราเนี่นะมันถูกล้อมไปด้วยผู้คนที่มีรูปร่างหน้าตาแปลกๆเห็นแล้วไม่จำเริญตาเลยพากันแห่มาเต็มทุ่งไปหมดเลยพี่แล้วก็มุ่งมารุมอยู่ที่เนี่ยทั้งหญิงทั้งชายหนุ่มสาวแกเฒ่าชราแล้วก็เด็กแต่ละสาระรูปนะั้มันน่าเกลียดน่ากลัวเหลือเกินแต่ละสีหน้าดูหิวโหยเหมือนเหล่าอสุรกายในนรกมาขอส่วนบุญเนี่ย พูดแล้วยังขนลุกอยู่นี่ไงพี่นี่คุณวุฒิคุณคิดไปถึงสู่สารต่างๆของนิทานครที่เราช่วยกันระเบิดกลบปากทางตลอดทั้งวันที่ผ่านมาละมัง้งก็เลยคิดวาดภาพไปซะต่างๆเสียงของระพินเรียบๆปกติไม่ได้แสดงอาการสนใจอะไรทั้งสิ่งแต่เชิดวุฒิสั่นศีสัะพี่ ไอ้พวกมอนสเตอร์หรือผีดิบทั้งหลายที่เราผจญกันมาแล้วนะมันเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะพี่มันไม่เหมือนกันไงที่ผมเห็นในฝันหยกหยกนี่หรอกมันมันคล้ายๆกับเราจะหลงเข้ามาในหมู่บ้านอดอยากหมู่บ้านที่มีการตายหมู่แล้วก็วิญญาณตเต็มไปด้วยทุกทรมานน่ะแต่ก็แปลกอย่างพี่แต่ละร่างเหล่านั้นมันคล้ายๆจะมีปีกกระพืบินได้พยเยอพยาบ แล้วก็ลอยวนเวียนอยู่ไปมาแต่มันก็ไม่สามารถจะเข้ามาในบริเวณที่พักของเราได้มาล้อมรอบดูพวกเราอยู่อย่างหิวโหวยอาละพี่ผมขอถามพี่จริงเฮอะเมื่อตอนเย็นใกล้ค่าที่ผ่านมาพี่กับลุงคำเดินลงไปดูอะไรอยู่ที่ชายละเมาะข้างล่างหนึ่งอยู่เป็นนานสองนานผมก็ไม่กล้าถามต่อนหน้าพวกนั้นแต่สงสัยนะพี่นะ คุณุคุณก็เป็นคนช่างสังเกตเหมือนกันนะโถผมก็คอยจับตามองพี่อยู่ทุกการเคลื่อนไหวนั่นแหละลุงคำน่ะแกสอนผมไว้ไว้พยายามดูพี่เยอะและจะรู้หรือสัมผัสกับเหตุการณ์อะไรได้บ้างไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นน่ะแล้วคุณเห็นไงผมก็รู้สึกว่าท่าทางพี่จะอึดอัดกังวล ขาดที่เรามาตั้งที่พักกันอยู่ที่นี่มาตอนเย็นน่ะแล้วก็ลงไปสำรวจบริเวณอยู่นานจ่ะโดยเฉพาะตรงดงไม้นัน่นถึงผมจะไม่ได้วิทยุถามพี่ลงไปผมก็ใช้กล้องส่องทางไกลจับดูอยู่เงียบเงียบเห็นพี่ไปป้วนเปลี่ยนทาอะไรอยู่ก็ไม่รู้นานผิดสังเกตทีดเดียวขนาดส่งให้พวกพรานเด็กๆ ก, กลับมาก่อนลวพี่กับลุงคำสองคนก็ยังอยู่ตรงบริเวณนั้นอีกตั้งนานน่ะ ผมว่มันต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆเลยแล้วมันมีอะไรอ่ะพี่ระพินมองจับอยู่ที่สายตาอันจ้องมาอย่างเต็มไปได้วยความสงสัยอยากรู้นั้นนิ่งไปครู่คุณมุดครับความจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอะไรนะครับล้วมันก็ไม่เกิดเรื่องเป็นพิษเป็นภัยใดๆต่อพวกเราทั้งหมด เพราะผมเชื่อแน่ว่าไ ง, ไงผมก็สกัดกั้นไว้ได้เป็นแค่เรื่องปริ่ดย่อยขี้ผงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองถ้าจะเปรียบประสิ่งที่เราเคยผ่านมาแล้วผมไม่มีอะไรจะปิดคุณวุฒินะแต่ถ้าอธิบายฟังแล้วก็ขอให้มันอยู่เฉพาะตัวคุณได้ไหมอย่าแพร่งกลายไปที่พวกนายจ้างเพราะผมขี้เกียจที่จะไปอธิบายอะไรกับพวกเขาต่อครับครับผมรับรองเลยพี่จะไม่บอกพวกนั้นรู้อย่างเด็ดขาดอะ เชิดบุตรรับปากอย่างมั่นคงเต็มไปด้วยอาการตื่นเต้นระพิงจำใจต้องอธิบายให้เชิดบุตรทราบในสิ่งที่เขาและบุญคำพบเห็นมาเมื่อเย็นนี้ตลอดจนการสกัดกัน้นบ้องกันนายทหารหนุม่มอ้าปากงง ง, งันไปด้วยความฉงนสนเท่สำหรับความรู้ใหม่แปลกในเรื่องนี้ของเขามันทำอะไรเราไม่ได้หรอกครับขอวางใจได้ อย่างมากที่สุดก็เพียงแค่เข้าไม้คุณเห็นในความฝันหรือกระทบเข้ามาในมโนทวารหรือจิตวิญญาณของคุณและสำหรับคริสเตนก็อาจจะแววทางประสาทหูบ้างเล็กน้อยผมไม่พยายามบอกอะไรให้หล่อนทราบครับเชบิดบุตรครางเสียงยาวสีหน้าบอกไม่ถูกพี่พี่แน่ใจเหรอว่ามันเป็นพืช พืชบางชนิดในนรกดำนี่เป็นพืชกึ่งพืชกึ่งสัตว์บางชนิดก็เป็นกึงก่งพืชกึ่งพูดมันสุดแต่ว่าเราต้องดูออกรู้ตัวล่วงหน้าหรือไม่แล้วก็มีทางที่จะป้องกันตัวเองหรือไม่เท่านั้นแหละสำหรับคุณเองผมไม่ห่วงกังวลอะไรนักหรอกเพราะมีพระดีคุ้มตัวอยู่แล้วต่อเมริกันพวกนั้นกับพวกลูกหาก่า ถ้าไม่ป้องกันให้ดีก็อาจจะเกิดเรื่องยุ่งยากขึ้นได้สิ่งที่พวกเราทั้งหมดจะทําเฉพาะเพียงคืนนี้และอยู่ที่นี่ก็แค่ปฏิบัติตามคําสั่งผมอย่าออกพ้นบริเวณที่พักที่ผมกําหนดให้เท่านั้นอ้าวครับตอนนี้ผมอยากให้คุณวุฒิไปนอนซะดีกว่าทธรหมดมันรบกวนคุณมากนักก็ย้ายที่ซะมานอนฝั่งนี้แทนเขาชี้มือบอก เชิดวุฒิลุกขึ้นอย่างไม่สู้จะเต็มใจนักยังอยากจะนั่งคุยกับเขามากกว่าแต่คำสั่งของระพินดูเหมือนจะไล่แล้วใครนอนอยู่ริมซ้ายยิมริมสุดทางด้านนี้ล่ละครับพี่ระพินซ่อนยิ้มบอกเรียบๆว่าคริสครับแต่ออดสำหรับคืนนี้อย่าเพิ่งรบกวนอะไรหล่อนนะครับผมยังต้องการให้คริสเขาพักเต็มที่เหมือนกัน เขาเพิ่งจะหลับไปเมื่อไม่นานนี้เองนายทหารหนุ่มชะ ง, งักนิดหนึ่งหันมาจ้องหน้าเขาอย่างพยายามค้นหาแต่ก็ไม่อาจจะสังเกตอะไรได้จากข้าวหน้าที่เย็นเยี่ยประดุดหินแกะสลักนั้นซึ่งบัดนี้แสงวอมแวมจากไฟในกองสาดจับมารางรงเป็นภาพเงาปริศนายากจะอ่านสิ่งใดได้ถูกก่อนที่จะลุกขึ้น พี่นอนอยู่ทางด้านนั้นเหรอครับเชิดบุรถามเบาๆพรานใหญ่ก้มศีรษะลงนิดนึงแทนคำตอบแล้วและพี่ก็บอกว่าคริสเขาเพิ่งจะหลับไปเมื่อไม่นาน <c oughs> คุณคงอยากจะถามผมว่าหล่อนพูดอะไรหรือคุยอะไรกับผมบ้างใช่ไหมสุภาพบุรุษไพยดักคอมาด้วยเสียงต่ำลึกไว้กายอันสนิทนิ่งนั้น โยนเศษกิ่งไม้เข้าไปในกองไฟขณะที่กล่าวต่อคุณพุทธคริสต์คงจะมีกังวลแก่กับน้ําเกลือที่ให้กัอิสเบรก็เลยอาจจะทําให้หลับไม่ได้สนิทตลอดนักส่วนผมนั้นหลับได้ในทุกสถานการณ์พระสั่งตนเองได้ในเรื่องนี้คริสต์เขาเขย่าปลุกผมเนื่องจากเขาได้ยินเสียงประหลาดประหลาดผมก็พยายามปัดความสนใจของหล่อนออกไปซะ เพราะม่อยากจะอธิบายอะไรมากนักอย่างที่บอกกับคุณไปแล้วอะเราก็ไม่ได้พูดอะไรกันมากหรอกเพราะผมแกล้งทําเป็นนอนหลับเขาก็เลยหลับไปเพราะความอ่อนเพลียผมก็เลยลุกขึ้นมานั่งคุยกับบุญคําก็พอดีเห็นคุณตื่นขึ้นมานี่แหละแล้วแล้วพี่สั่งให้ผมไปนอนทางด้านนั้นอนะมันจะเหมาะหรอครับเอ้าหรือคุณจะเลือกกลับไปนอนทางด้านเดิมที่มดมันเริ่มกวนคุณ ผมก็ไม่ไม่ได้ว่าอะไรนะแล้วแล้วตัวพี่เองแล้วครับพี่ไม่นอนอีกแล้วเหรอก็ยังไม่แน่อ่ะคุณอาจจะนอนหรืออาจจะไม่นอนแล้วถ้าผมจะนอนผมก็เลือกนอนได้ทุกที่ในบริเวณแคมป์ของเราอะ่ะไม่ต้องห่วงหรอกจากหัวค่ำที่ผมมานอนชิดทางด้านนี้ก็เพื่อจะคอยดูเข็มน้ําเกลือของเบลจะได้คอยเตือนให้คริสช่วยจัดการให้ แต่ตอนนี้มันก็เรียบร้อยดีแล้วก็เห็นว่าไม่จําเป็นจะต้องคอยปลุกเรียกคริสขึ้นมาอีกไปเถอะคุณไปนอนพักเสรตรงที่ผมเคยนอนสกัดคริสไว้นั้นแหละไอ้ที่เตือนไว้ตะกี้ก็เพราะเห็นว่าคุณนั้นได้หลับมานานพอสมควรแต่คริสนเขาไม่ค่อยได้หลับในคืนนี้คุณเกิดไปจุกจิกอะไรก็เข้าๆ เ, เดี๋ยวก็อาจจะเกิดเรื่องขึ้นง่ายๆทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นกับเวลาที่เหมาะสมนะครับทุกแค่นี้ คิดว่าคุณวุฒิคงเข้าใจดีอ้าวพี่แล้วถ้าเกิดเขาเกิดนอนละเมอมาทําจุกจิกกับผมเองอะคราวนี้ระพินเหลือบขึ้นมองหน้าผมว่าคุณมีความหมายอะไรสักอย่างเกินกว่าที่พูดนะคุณวุฒิครับคริสก็อาจจะหันมากอดผมก็ได้เพราะเขาเข้าใจว่าผมเป็นพี่ไงเชิดวุฒิ ประสานสายตากับเขาอย่างตรงไปตรงมาจอมพรานลุกขึ้นยืนช้าๆก้าวเขามกาใกลๆ้ๆตกเบาๆที่ต้นแขนของนายทหารรุ่นน้องไม่มีวันอะคุณวุธผมรับรองได้ผมคิดว่าผมรู้จักเขาดีกว่าคุณซะอีกอย่าดูหมิ่นเขาอย่างนั้น คุณอาจจะสงสัยอยู่ว่าคริสมีจิตใจฝักใฝ่อยู่กับผมแต่ก็ขอให้รู้นะว่าเขาเป็นคนถือตัวแล้วก็มียางอายพอสมควรไอประวัติในอดีตของเขาจะเป็นยังไงนะผมไม่ทราบแต่นับตั้งแต่รู้จักกันในเส้นทางสายนีเนะี่ยเขาไม่ใช่ผู้หญิงประเภทอย่างนั้นเชื่อผมอะคุณบุตรเชิดบุตรยืนหน้าชาคอแข็งงันไปชั่วขณะ แล้วยิ้มออกมาอย่างเจือนจืดผมขออภัยครับพี่ที่อาจจะพูดอะไรออกไปเพราะความโง่เพียกรุดผมนะครับไม่หรอกคุณบุษผมเข้าใจความรู้สึกของคุณดีจงเป็นชุภาพบุรุษแล้วก็ให้เกียรติเขาบ้างแล้วคุณจะสมหวังในสิ่งที่คุณต้องการจำไว้ นายทหารหนุ่มเปลี่ยนท่าทีไปจากเดิมแววตาที่มองไปยังรพินเต็มไปด้วยความคาระวะยำเกรงที่เกิดขึ้นอย่างเปี่ยมล้นระคุนไปกับความละอายแก่ใจตนเองไม่ได้เ อ, อ่ยอะไรออกมาอีกทั้งสิน้นเมื่อผู้มีอาวุโสและหนักแน่นเยือกเย็นกว่าพยักหน้าเตือนอีกครั้งเขาจึงเดินตรงไปยังบริเวณที่พักนอนค่อยๆย่อนกายลง รงบริเวณริมสุดที่ระพินโปปกระสอบป่านเอาไว้เอ็นกายลงนอนอย่างสงบห่างจากคริสติน่าออกมาประมาณฝ่ามือและนอนลืมตาค้างอยู่ในสภาพเช่นนั้นเป็นเวลานานแล้วเชิดบุตรก็หลับไปอีกครั้งท่ามกลางความหนาวเย็นของอากาศโดยไม่ได้ขยับเข้าไปอาศัยไออุ่นจากร่างที่นอนอยู่ใกล้ๆเขาเลย ไม่กล้าแม้แต่จะขอแบ่งชายผ้าแบล็งเก็ตผืนใหญ่มาคลุมกายไม่รู้สึกตนด้วยว่ามีคนเอื้อเฟื้อคลี่ผ้าห่มมาคลุมให้ที่ซวงอกเขาอย่างเงียบเชียบด้วยน้ำใจการุนที่มีต่อเขาอย่างบริสุทธิ์เป็นครั้งแรกคนคนนั้นก็คือแม่ผมทองคริสติน่าที่หัวใจของเขา เป็นธาตุโดยไม่รู้ตัวนั่นเองประมาณห้านาฬิกาตรงฝนได้กระนำลงมาอย่างหนักทั้งคณะถูกปลุกขึ้นมาด้วยการจู่โจมของภาวะปรนแปรของธรรมชาติเกิดโกลาหลขึ้นบ้างพอสมควรเพราะต้องหลบทั้งลมทั้งฝนโชคดีอยู่บ้างที่ไม่ถึงกับเป็นพายุใหญ่หนัก พวกลูกหาดได้รับคำสั่งให้ใช้ผ้าพลาสติกส่วนหนึ่งขึงยนย่อนในลักษณะอ่างสำหรับรับน้ำเพื่อใช้ในการประทังชีพต่อไปในภาวะที่กำลังขาดแคลนน้ำโดยไม่ต้องห่วงว่าจะต้องระเวนแสวงหาในวันต่อไปซึ่งอย่างน้อยก็เป็นสเสบียงน้ำไปได้อีกสองวันเต็มภาชนะทุกชิ้นเท่าที่มีติดตัวมาและสามารถจะหอบหิ้วไปได้ ทุกคนไม่ว่าฝ่ายนายจ้างอเมริกันพรานพื้นเมืองของระพินและพวกลูกหกับพากันมารวมกลุ่มนั่งเจ้าบังฝนและพายุ ก, กันอยู่ในซอกขคดหินโดยมีพลาสติกที่ใช้ปูนอนขึงกั้นเป็นหลังคาเตียเต้ยๆอยู่ด้านบนโดยวิธีคลุมครอบลงไปบนยอดหินเตีย้ยที่งอกสูงขึ้นมาจากพื้นประมาณสองเมตร แต่มีลักษณะล้อมเป็นเหมือนรั้ววงกลมและอยู่ในตำแหน่งที่สูงที่สุดของบริเวณยอดเนินอันจะไม่มีน้ำจากบริเวณที่สูงกว่าไหลเทลงมาตามพื้นต่างเปรียบปอนไปตามตามกันจากละอองฝนที่สาดแรงรอบด้านเพียงแต่ไม่ถึงกระโชกน้ำทั้งตัวเท่านั้นหนาวสตานสันชนิดคางกระทบไปตามๆกันนับเป็นครั้งแรก ที่กลุ่มนายจ้างอเมริกันและฝ่ายลูกหาบทุกคนเขามานั่งจับเจยารวมกันเป็นกระจุกอาศัยไออุ่นจากกายของกันและกันอย่างใกล้ชิดเช่นนี้โดยไม่คำนึงถึงว่าใครเป็นใครพวกลูกหาพากันนั่งล้อมเป็นวงกลมกำบังให้ในรอบนอกกันเฝ่ายเจ้านายทั้งสี่ให้เป็นไขรแดงอยู่ตรงกลางในที่กำบังฝนอันฉุกระหกนั้น แม้มันจะไม่ได้ช่วยอะไรได้มากนักแต่ก็ยังเปียกน้อยกว่าที่จะอยู่ทางด้านริมโดยรอบเพราะละอองและกระเซ็นฝนย่อมจะปลิวมาถูกร่างกายพวกนั้นก่อนระพินนั่งชันเข่าอยู่ทางด้านหนึ่งของกระจุกยีสบคนที่เข้ามาเบียดเสียดเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันนั้นอยู่ในมุมเพิงอันเตี้ยที่สุดใช้มือคอยดันน้ําฝนที่ตกลงมาขังอยู่ที่ผ้าพลาสติก และขังเป็นแอ่งยอนต่ำลงมาโดยให้มันไหลเทจากการทวงหนักลงมาเป็นครั้งคราวขณะที่ฝนเริ่มซัด ก, กระหน่ำลงมาเขาและบุญคำช่วยกันปลุกเตือนทุกคนให้รู้สึกและลุก ข, ขึ้นมาประจันหน้ากับเหตุการณ์ก่อนที่ร่างกายของแต่ละคนจะเปียกโชกแม้จะตื่นกันขึ้นมาด้วยอาการงัวงเงียแต่ลมและหยดน้ำอันเย็นเฉียบที่ซัดสาดทาให้ทุกคนได้สติ สำนึกถึงภาวะการอย่างรวดเร็วต่างเพนกันขึ้นมาในลักษณะฉุกละหุกโกลาหลพอสมควรแล้วก็ช่วยกันปลุกบุกคคลอื่นๆที่นอนอยู่ข้างๆต่อๆกันไปเขาไม่อาจสังเกตได้ว่าอิาเบลที่จัดว่าอยู่ในสภาพของคนป่วยนั้นเป็นเช่นไรบ้างในภาวะเช่นนี้เพราะสภาพมันชุนละมุนไปหมดรู้แต่เพียงว่าตะละคนในยามนั้นล้วนมีการเคลื่อนไหวที่แคล่วคล่องว่องไวปราดเปรียว ไม่มีใครงุ่มง่ามปวกเปียกผิดสังเกตไปเลยสิ่งที่เขาจะร้องเตือนได้ในขนาดนั้นก็คือให้ระวังอาวุธประจำตัวของแต่ละคนก่อนอื่นและให้นำสัมภาระอันเสี่ยงต่อความเสียหายจากสภาพเปียกน้ำให้หลบเข้าที่ปลอดภัยซะก่อนจนกระทั่งมาสิ้นสุดลงชั่วขณะเอาเดี๋ยวนี้ภายใต้โปงคลุมของผ้าพลาสติกใหญ่ผืนเดียวกันฝังเสียงเม็ดฝนที่ซัด ลงมาบนศีสะและลมแรงกันโชกผ่านเสาหินธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่ท่ามกลางฟ้ามืดเหมือนเหวนรกซึ่งสว่างจ้าวูบวาบขึ้นเป็นครั้งคราวเมื่อฟ้าแลบติดตามมาด้วยเสียงคำรนครืนครันสลับไปกระแสอัดสอัดสนบาที่แผดสะท้านเลื่อนไหลบางครั้งถ่าไกลจากยอดเนินที่พักกันอยู่ แต่บางครั้งก็ฟาดลงมาใกล้ๆจนมองเห็นสายฟ้าสีเขียวปราบอืดิ่งลงมาและกำปั้นหน้าจนหงชาทำให้รู้สึกว่ามันอาจจะพาลงมากลางคณะของมนุษย์กระจ้อยร่อยที่มาซุกตัวจัดเจ้ากันอยู่ในซอกต่างแห่งนี้เมื่อใดก็ได้เมื่อฟ้าแลบหรือผ่าก็สว่างวาบขึ้นสักครั้งนึง แล้วหลังจากนั้นก็เป็นความมืดราวเหวนรกอีกครับรับผิดชอนักจำนวนคนเดีเรียกชื่อไปยังพวกลูกขาก่อนก็ปรากฏว่าพวกนั้นขานตอบมาจนครบต่อมาก็เป็นพวกพลานพื้นเมืองบปรดในยา่านซามส์สแตนลีคีคริสติน่าเชิรตุและเบลเป็นคนล่าสุด เสียงขานตอบหนักแน่นดังมาจากแม่ผมแดงในกลุ่มที่นั่งเบียดกันอยู่ด้านหลังของเขาขณะนี้ระหว่างที่เขาหยุดเงียบลงภายหลังเมื่อเรียกชื่อเบเป็นคนสุดท้ายก็มีเสียงห้าวของสเตนลีถามขึ้นว่าเป็นไงครบหมดทุกคนไหมระพินโดยเฉพาะพวกลูกหาบทางด้านผมนะไม่เป็นไรหรอกแค่สี่คนเท่านั้น กคนตรวจสอบกันเองแวบบเดียวก็รู้แล้วว่าใครอยู่หรือใครขาดครบหมดทุกคนครับเคารองบอกไปเบาๆเพียงแ่เอ้ยยังขาดอีกคนน่ะคุณยังไม่ได้เรียกนามตัวคุณเองเลยนี่คุณอยู่ในกลุ่มของพวกทุกคนด้วยหรือเปล่าสุภาพบุรุษไายวานันน้ำเสียงสัพพายกดังมาจากอิสเบลเป็นประโยคแรก หลังจากเป็นบ้าไปนานกว่าสิบชั่วโมงเพราะอาการเจ็บป่วยสะบักสะบอมมาสะตั้งกะเย็นวานเอ๊เสียงของคุณใสกังวานดีมากดิเบรผมดีใจนะมันแปลว่าคุณน่าจะปกติเหมือนเดิมแล้วนี่ขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ดูแลเอาใจใส่ฉันในระหว่างที่ฉันช่วยตัวเองไม่ได้แล้วก็กลายเป็นภาระเสียงไม่ผมแดงชัดเจนแจ่มใส ดูล่นจากลายมาเป็นเบลคนเดิมแล้วโดยสมบูรณ์สดับได้จากกระแสะเสียงสำเนียงพูดคิดบนอะไรอู้อีอยู่ในคอยังมึนงงต่อเหตุการณ์ที่ถูกปลุกขึ้นมาด้วยสายฝนใกล้รุ่งส่วนสไตลีนั้นยังคงสุขขุมมีความใคร้ครวนที่รอบครอบอยู่ตามบุ ค, คลิกเดิมของเขาไม่ปริกปากบนอุทธรใดๆทั้งสิ่งแต่อื้อเฟือ บ, บอกให้พวกลูกหาบทั้งหลาย ขยับหนีละอองฝนเบียดเข้ามารวมกลุ่มอย่างปราศจากความรังเกียจเดียดฉันเชิดบุญรู้สึกว่าได้เผลอหลับไปเพียงชั่วครู่เดียวก็ต้องตะลีตะเหลือขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งบัดนี้เขานั่งกอดเข่าอยู่ด้านหลังของคีนในสภาพหนาวสัน่นฟันกระทบกันกึกคริสตินากอดเบรนผู้อยู่ในลักษณะครึ่งนั่งครึ่งนอนอยู่กับตัก เหมือนจะถ่ายทอดไออุ่นและพลังจิตอันกล้าแข็งของหล่อนไปสู่แม่เพื่อนสาวและคอยใช้ฝ่ามือผลักดันผ้าคลุมที่ทวงหนักด้วยน้ำขังห้อยต่ำลงมาระกะระสีสะเพื่อไล่น้ำให้ไหลไปทางด้านปลายลงสู่พื้นอย่างคนฉละทุกคนมีสภาพเหมือนลูกนกภายในรังเดียวกันเพราะไม่มีที่จะให้แยกออกไปกำบังอื่นใดได้อีกแล้ว นอกจากรวมกลุ่มกันอยู่ที่นั่งเหม็นสาบของเหม็นซาบ พ, พวกของบุญคาหน่อยนะแห ม, มจา๋าหล่อนได้ยินเสียงตาพรานเท้ามือขวาของระพิงดังเบาๆมาจากเบื้องหลังจึงรู้ว่าคนที่นั่งหันหลังพิงยันอยู่กับหล่อนในตอนนี้คือตะคำนั่นเองไม่เป็นไรหรอกบุญคำ จมูกของฉันน่ะเคยชินซะแล้วกับกลิ่นไอของพวกบุญคํานับตั้งแต่เหยียบเข้ามาในนรกดํำนี่บอกให้พวกเราทุกคนเบียดกันข้ามชิดที่สุดอ่ะไม่ต้องเกรงใจพวกฉันแล้วก็ไม่ต้องเอาตัวออกไปเป็นที่กําบังฝนให้พวกเราอยังงั้นหรอกฮะอย่างนี้สิถึงจะไปด้วยกันได้เรามันคนด้วยกันนะแม่หนอชาวป่าชาวดอยหรือฝรั่งมังคามันก็กคนด้วยกันแตามันจะเหม็น มันก็หมิ่นพอกันนั่นแหละตอนนี้ขอให้พวกแม่มรู้ไว้เถิดว่าพวกของบุญคน่ะพร้อมที่จะตายให้กับพวกนายแม่มก่อนเสมอแต่ถ้าจะมีทางรอดพวกนายแม่มก็จะต้องโยการไปรอดก่อนเอาเฮ้ยไอจันไอเกิ ด, ไ อ, กดไอเซยแล้วก็ไอทุกคนที่นั่งหอกง อ, งง อ, งงองขิงอยู่ปลายแถวนั่นแหละเบียดเข้ามาขยับขยับขยับขยับเข้ามาสิ ขยิบใยิบใยิกใคยิบใคจุงใคยวยโ อ, โอ้ยใครทีมโค้วยประโยคหลังแกร้องแจ๊กออกมาดังลัน่นเพราะไม่ทราบตานผีที่ไหนแอบมันเน็บก็ที่สีข้างจนแทบจุกไอ้จะว่าเจ้านายของแกโดยตรงก็คงไม่ใช่เพราะเขานั่งห่างอยู่อีกด้านหนึ่งเป็นตรงข้ามกับแกในขณะ น, นี้ไอเจ้ว่าพวกเด็กเด็กลูกน้องก็คงไม่ใช่อีก พวกนั้นเอาส่วนหลังดันแกเข้ามาทั้งนั้นไม่มีใครหันส่วนเท้ามาทางด้านแกนเลยจะแม่มคริสก็คงจะไม่ได้เพราะทําได้ยากเนื่องจากหล่นหันหลังให้เช่นกันก็เลยกลายเป็นปลายเท้าลึกลับอันยากจะคเนดได้ว่าแย่มาจากทางด้านทิศไหนบุญคำสบดดาพึมพาอยู่คนเดียวยนรพินผิดสังเกตร้องถามมาว่าอะไรบุญคา เออะโวยวายอะไรเมื่อนั้นแกจึงสงบปากคำลงพยายามค่อยๆใช้มือควานหาไปในทิศทางที่สงสัยว่าปลายบาทาจะยันมาทางสีข้างซีขวาของแกแล้วก็คลำไปพบปลายบูทข้างหนึ่งอยู่กับพื้นในตำแหน่งที่น่าสงสัยที่สุดค่อยๆลูบขึ้นไปก็พบว่าเป็นปรีน่องนุ่มๆ ยุ่นยุ่นมือผิดสังเกตไปขาข้างนั้นอยู่ในสภาพกึ่งเหยียดในท่อนบนและงอในท่อนล่างพับตะแคงราบกับพื้นขณะที่แกคลาไปพบเน่ะขาสวมบูทดังกล่าวอยู่ในสภาพนิ่งเฉยไม่มีอาการว่าจะดึงหดหนีใดๆทั้งสิ้นคลาสูงขึ้นไปอีกหน่อยพบบริเวณข้อพับ แล้วก็เป็นท่อนขาอ่อนอันอวบตึงพราะแกไต่ตามไล่ระขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อจะล้วงเข้าไปถึงซอกกลางของโคนขาด้านในนั่นปลายที่สวมบูทก็วัดพลวขึ้นอีกครั้งจนต้องร้องอุ๊บแยกเขียวมันเป็นตำแหน่งเดียวกับที่แกถูกเน็บด้วยปลายบูทเมื่ออึดใจที่แล้วไม่ผิดองศาไปเลยโว้ยไปยิผีอยู่นี่เอง จับได้แล้วเสียงหัวรอดคิกคิกคกดังมาจากอิาเบลซึ่งครึ่งนั่งครึ่งนอนหนุนตักคริสอยู่ในขณะ น, นี้โดยมีลำตัวส่วนหน้าโคดงอหันไปทางบุญคำหลอนเตะปไลายเท้าออกไปก่อนที่จะถูกล่วงเข้ามาถึงซอกขากลางลำตัว